ภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม Thang Sranang Kachami Thamang Sranang Kachami Thamang Sranang Kachami Sangkang Sranang Kachami Thuttyyampe พุทธํ thamang ธัมมํสรณํคัจฉามิทุติยัมปิธัมมํสรณํคัจฉามิตติยัมปิสังฆํสรณํคัจฉามิปุติยัมปิธัมมํสรณํ ติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตะติยัมปิธัมมังสรณัง อ่าวันนี้วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 นะขึ้น 3 ค่ําเดือนปีมะเมียอีกไม่กี่เดือนก็ เดี๋ยวเดินหน้าก็ขึ้นปีใหม่อ่าเปลี่ยนปีมาเมียเปลี่ยนปีน่ะไม่ เวลาไม่มีการหายไปจากมหาเอกภพนี้เลยทุกอย่าง หรือตั้งอยู่เล็กน้อยแล้วก็เคลื่อนที่ต่อไปเร็วหรือช้าก็แล้วแต่เหตุปัจจัย มันก็พัฒนาไปแล้วก็เกิดขึ้นเสื่อมไปอีกเหมือนกันใน ทางแม่แต่บรรดาเรานี้ยังทางไปเยอะเลยต้นมารากไม้เปลี่ยนแปลงเสื่อมไปต่างๆมันก็ถึงวาระสุดท้ายมันก็ยากขณะนี้เกิดเอ่ออะไรเค้าเรียกอะไรอะไรกระจก มันก็เกิดไปมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของ มีวนเวียนอยู่เนี่ยที่ท่านสรุปแล้วว่ามีอุตุนิยามฐิชนิยามจิตนิยามกรรมนิยามและธรรมนิยามนี่เท่านั้น มันมีพลังงานทั้งทางฟิสิกส์ก็ตามพลังงานทางนามธรรมก็ตามมันเป็นพลังงาน อิทธิปาฏิหาริยเทศนาปาฏิหาริย์เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในอนุสาสนีปาฏิหาริย์เราก็เข้าใจและเราก็มีแต่เรา เป็นปราชญ์เอกของจักรวาลที่สามารถที่จะเอาพลังงานอย่างนี้จริงๆนะ น่ะของมนุษย์ที่จะพึงมีได้อาตมายังมีไม่รอบยังมีไม่พร้อมแต่รู้โครงสร้างที่พูดไปนี่ก็คือ นะวันนี้เราเรียนพุทธชีวสิณก็เอาต่อน่ะต่อមុខวันวานก่อนนี่อาทิตย์ต่อเรื่องของพุทธมังสะสูตรหรืออาหาร 4 อาหาร 4 นี่คือเครื่องอาศัยหรือเครื่องยังสัตว์ให้อยู่ มนุษย์ปุถุชนโลกิยะหรือมนุษย์โลกุตระก็ต้องอยู่ในอาหาร 4 นี้ทั้งสิ้น มีพลังงานมีกําลังเลี้ยวแรงสร้างสรรค์หรือว่าทําลายอยู่ในปฏะสังสารนี้ส่วนโลกุตระนั้นรู้ ญาณปัญญาที่รู้จักคุณรู้จักโทษที่แท้จริงทั้งสิ่ง ซึ่งเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส จะเป็นผู้ที่มีมีบทบาทอยู่ในโลกเป็นคุณอย่างเดียวไม่เป็นโทษไม่เป็นโทษแก่อะไรเลย 4 แล้วก็ทํา ส่วนของโลกีย์บุคคลหรือปุถุชนนั้นจิตวิญญาณเป็น นะทำโทษมากกว่าคุณเพราะอวิชชาเลยมีเรื่องของการทําลายทําลายหรือ น่ะมันตัวร้ายกาจมากน่ะที่ทําลายนี่ <c oughs> เป็นประธานมีกรรมกิริยาเมื่อจบแล้วยังเป็นอรหันต์เงี้ยจบทําลาย ผู้อื่นครับผู้อื่นยังเลือดเย็นๆสุดท้ายมันก็เสื่อมนะสุดท้ายมันก็เสพกวนเวียนไปสู่ความเสื่อมจนกระทั่งล้างโลกเป็นที่ทีไปนะๆนะแล้ว โรคบางโรคเนี่ยเกิดล้างโลกจนกระทั่งมันจะสังสมหรือก่อตัวกันใหม่มันล้าง เนี่ยพิษอย่างกัมมันตภาพรังสีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งยังไม่เท่าไหร่นะยังจะมีพิษที่แรงร้ายกว่ากัมมันตภาพรังสีมันทํากันโลกทั้งอยู่ไม่ได้สัตว์โลกก็อยู่ไม่ได้อยู่ไปอยู่ไปก็ถูกพลังงานพิษใต้กาตพวกนี้ซึ่งคนเป็นคนทํานะแล้วก็ตาย คลายหายผิดไปจนกระทั่งผิดหมดแล้วจึงกลับตัวมาเป็นตัวสังเคราะห์ นะเคยมีสัตว์เกิดแล้วนะอาตมาที่อาตมาว่าอาตมาไม่ ทำลายทําพลังงานยิ่งกว่ากรรมพันธุ์รังสียิ่งกว่าปรมณูมันจึงมีพิษร้าย ก่อนจะเข้าบทเรียนอาตมา ไปในแล้วล่ะแผ่นมาไม่เจอนี่เอาๆจริงๆอ๋อไม่เจอหรอ ช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่อยู่เอ๊ะถ้าเผ่าจริงๆอาตมาก็ทํางานไม่ไอ้นั่นเลยจนกระทั่งนาทีสุด มันอยู่บนนั้นเหรอมันอยู่ที่ในบนโอ้นี่หยิบแมะนึกว่านี่ใช่นะเนี่ย SMS เนี่ยนึกๆโพธิรักนี่ๆเลยแหมอ่ะขออภัยนั่นกัน เรื่องที่จะต้องบอกก็คือว่าที่จะต้องบอกก็คือ 3 นี้นะ 25 เป็นวัน 25 เวลา 18:00 น. เป่งปิดเลย หลังจากนั้นแล้ววันที่ 25 เลย 18:00 น. ไปก็สมัครหลังจากนี้ก็ให้เข้ากลุ่มสมทบได้จะมาหรือว่าคนไม่สมัครจะมาเข้ากลุ่ม โดยผู้สงจะสอบเสริมก็ยัง 26 ทันวาคมวันปฏลืนนี้แหละ 23 นะ, 24 25 26 ปะเรื่องไม่ใช่บะลืนเนาะปะเรื่องวันปะเรื่องนี่ 26 ธันวาคมนะอย่าลืมนะเอาเครื่องกันหนาวมาด้วยนะหรือ ให้แล้วเอาคืนเด็กๆให้เข้าพื้นที่กัน <c oughs> 26 ธันวาคมจะเข้าตั้งแต่วันนี้ก็ 26 ก็อย่าง 26 อ่าเสื้อกันน้ำเครื่องพักอะไรก็ที่จะพอใช้ไม่ต้องห่อบริมาจรุงกลังอะไรหรอกนะนะ 27 จะเป็นเวลาลงทะเบียนเวลา 7 น. อ, ว, 7น9 ก็เริ่มแล้วถึง 9:00 น. นะเวลาแล้วก็ 2:00 น. ถึง 16:00 น. ช่วงนึง 7:00 ถึง 9 ช่วงนึงมาลงทะเบียนแล้วก็ 12:00 ถึง 16:00 อ่า 7:00 ถึง 9:00 ช่วง พอที่เขาจะมาลงทะเบียน 7:00 น. แล้วเราก็มี 2 แผนกแหละวิทย์ 2 แผนกวิทย์ก็คือจบปริญญา ก็แยกกลุ่มกันตามที่ระเบียบก็แบ่งกันเป็นก็ถ่ายรูปผู้ที่นั่นแหละบ่อโต๊ะเสื้อเลือกขนาดเสื้อ เลือกไว้ก่อนเผื่อไว้แม้สอบไม่ได้ก็เลือกไว้ก่อนจะได้รู้หุ่นจะได้รู้ขนาดจะได้รู้จํานวนบ้างนะสําหรับผู้ที่สอบได้เอ่อที่ ขายรูปบ้างแล้วก็มาเอ่อบอกมาดูขนาดเบอร์นี้เจ้านี้เจ้านี้ผู้ที่ลงสิทธิประเรียนทะเบียน S เท่าไหร่ M เท่าไหร่เบอร์ L เท่าไหร่ดับเบิ้ล N เท่าไหร่ ปีนี้จะมีการสอบวิชาการในวันสุดท้ายของงาน 3 แล้วก็จะเฉลยเฉลย ก็ของใครถูกผิดยังไงก็ดูเอาแต่ว่ายังไม่ประกาศผล รุ่นที่ 3 วบบ. รุ่นที่ 3 นี้อ่าอ่าเราจะไปประกาศ ไม่ได้หลอกบอกตรงๆหลอกที่ไหนล่ะอ้าวจะหลอกยังไงคิดว่าต้องการให้ไปมั้ยต้องการเออจะ น่ะเราก็จะได้ทํางานสบายๆไม่งั้นเร่งๆที่ผ่านมา งานพุทธาภิเษกนครสวรรค์เพชรไชยสาลีนะ 1, ษ, คร, ร, นะ, 1 7 นี่แหละในวันใดวันนึงก็ประกาศที่ด้วยก็ใน 11 เมษายน 11 เมษายน 58 นะ 1 ถึง 7 58 นะ ทีนี้สําหรับสมณะ นะ, 26 นะนะ 26 ธันวาคมเวลาบ่าย 2:00 น. ที่บ้าน ก็ 26 ธันวาคมนะเวลาบ่าย 2:00 น. จะประชุมที่บรรณราชนี่นะ อาศัยไม่ว่าจะเป็นปุถุชนไม่ว่าจะเป็นอะไรสัตว์โลกก็ใช้อาหารเครื่องอาศัยอ่ามีเครื่องอาศัย เป็นตนเองเป็นคุณค่าประโยชน์อยู่ใน ที่จะต้องอาศัยในสัตว์โลกไม่สรุปอาหาร 4 นั่นก็ได้รู้กันแล้วได้เรียนกันมาแล้วมี ก็บําเรอบําเรอวิญญาณก็เลยเป็นวิญญาณผีกับวิญญาณเทวดาเกะกลายเป็น ไม่รู้จักวิญญาณไม่รู้จักโลกบริโภคและอุปโภค เสพเป็นสุขเป็นของตัวของตนอุปโภคก็มาบริโภคโลภะเป็นมี บริกรอาศัยโลกีย์นะก็จะเป็นเช่นนั้นนะ ไม่มีโทษเลยมีแต่คุณเพราะฉะนั้นความใคร่ คนไทยเราเอาไปเอาริษยามาใช้จนๆนั้นนะนะทำลายทำลายผู้กว่าอะไรๆพวกเนี้ยริษยามันเป็นกิเลสอัตตานะปอนก็ฉันสวดอิจฉา ไปเข้าใจผิดเข้าใจผิดเพี้ยนจากอิจฉาเป็นอิจฉาเพี้ยนจากอิจฉามันเป็น ก็เลยเป็นคําผิดนะอยู่ทุกวันนี้นะนี่ก็อธิบายแถม ก็เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยเป็นโลกุตระบุคคลโดยเฉพาะยิ่งเป็นอรหันต์แล้วก็เป็นวิภวะตัณหาเป็นตัณหาไม่มีพบ แบบบรรลุจริงแล้วจะเป็นเช่นนั้นจริงนี่เป็นหลักประกันของสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เป็นทฤษฎีของพระพุทธเจ้าทุกวันนี้อาตมาก็ยังมั่นใจว่ายังจะพิสูจน์เรื่องนี้ในโลกมนุษย์ได้อยู่ซึ่งอาตมามั่นใจว่าทฤษฎีนี้ยังไม่ยังไม่เพียรจนกระทั่งปฏิบัติเป็นมรรคผลไม่ได้ยัง มีเชื่อแท้ของพุทธนี่ไปอีกจนกว่าจะหมด พศ. 5000 นั่นแหละๆพวกนี้น่ะมันมีๆไม่ ศาสนาพุทธนี่ยอดพยานากรยิ่งพระพุทธเจ้ายิ่งพยานากรรับรองไม่มีผิดอะไรถ้าท่านจะพยานากรหรือ 4 นี้ถ้าเข้าใจ ที่มันเป็นสิ่งที่ให้สัตว์อยู่ได้อย่างไม่เป็นหรืออุปโภค พูดแต่แค่บริโภคก็ยังปฏิบัติกันยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะถ้าปฏิบัติอย่างสมาธิฐิติเข้าใจแล้วบริโภคก็ดีเครื่อง ก็อาศัยอย่างที่เมื่อไม่มีตัวตนจะอุปโภคบริโภคก็เป็นนัก เป็นสัจจะความจริงของอริยะบุคคลของพระพุทธเจ้าที่แท้ แล้วก็ละแต่ยังไม่ค่อยเก่งในสมรรถนะความรู้ความสามารถด้วยก็ทําไปตามนั้นอย่างอาตมานี่ๆก็เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล อาตมาไม่ใช่สายกรรมกรอาตมามันไม่ค่อยไม่ค่อยจะกรรมกรไม่ค่อยเก่งเป็นผู้ทําจริงๆกรรมกรคือผู้ลงเลยเนี่ยเก่งเป็นช่างเป็น นะส่วนกรรมการสายปัญญาสายนี้ก็ใช้ทางความรู้ใช้คนละหน้าที่อ่ะสายปัญญา ถ้าคนเราเนี่ยเข้าใจความจริงกับความจําไม่ได้เนี่ยจะกลายเป็นคน นะหาวิธีการกดข่มจิตไปชาตินึง ยังสายลูกศิษย์พระมหาวิระนี่เป็นต้นอ่าเชนสายเชนซ้ายศาสนาพระวิรักษ์ที่มี อย่างสมบูรณ์ก็เลยจมไปทางนู้นนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ประการประมาณอะไรก็ไม่เป็น ทําไม่ได้ไม่ไม่มีจิตใจจะทําอย่าว่าแต่กำหนดสัดส่วนเลยไม่มีจิตใจจะทำ มันก็เอียงไปทางโน้นกันส่วนตัวเองเนี่ยก็พอเข้าใจ ในเรื่องของเวทนา 3 เวทนา 5 เวทนา 6 เวทนา 18 เวทนา 36 เวทนา 108 ดีว่ายังมีอยู่ในตําราอยู่ในปฏิปทกมี เราจะรู้เวทนา 3 เป็นตัวหลักสุข นั่งหลับตาไปนะสู่บุรีตุอิตุอิเสพรดอยู่ก็ไม่รู้ก็เป็นอริยะ พอว่าเดี๋ยวน้ําแข็งมันหมดก็ต้องเปลี่ยนกระติก 3 ไม่รู้จัก พอเวลาจะเรียนธรรมะก็นึกว่าเป็นเรียนใน ก็จะแจกสภาวะของรูปๆสามารถปฏิบัติจนกระทั่งถึงขั้นทํารูป ก็ฆ่าชีวิตอินทรีย์อินทรีย์ของสัตว์สัตว์ที่เป็นสัมปัดกันแล้วก็ นะปุริสภาวะคืออะไรอาการของจิตนะจิตที่ยังยังไม่หยุดความดิดดิ้นพล่านหรือยังไม่หยุด เป็นเอกคตะเป็นเอกบุรุษได้เป็นสมบูรณ์ไปแต่ละรอบ ภาวะสุดท้ายมันชื่อของบุคคลน่ะสัพปบุรุษเออเรียกสัพปบุรุษหรือเรียกสัตตบุรุษก็เรียก ภาวะที่รองแต่ต้องอาศัยกันรองแต่ต้องอาศัยกันนะรู้จักอนุโลมปฏิโลม 2 รู้ 2 ก็เรียนรู้ได้ในสภาพเสร็จสู่ความ รอเพราะเป็นวิการรูปเป็นวินยัติเป็นวินยัติในกายกรรมเป็นวจีกรรมซึ่งควบคุมจิตหรือว่าประมาณจิตตนเองเป็น เป็นสัจจานุโลมิกายานเพราะมีสังขารุเปฆายานที่แข็งแรงพร้อม 4 อย่างแท้จริงจะทําเบาเท่า อนุโลมปฏิโลมเป็นมุทุภูตะภูตาเท่าไหร่ก็ตามจึงออกมาเป็นกรรมัญญตาที่สมบูรณ์นะออกมา เสลก็อยู่กับลักษณะรูป 4 รู้จักการเกิดเรียกว่าอุปปัชชยะรู้จัก สิ่งที่เที่ยงมีอย่างเดียวในมหาจักรวาลคือนิพพานนอก 4 เนี่ยอะไรจะเกิดก็ทําให้เกิดตาม ก็มีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยู่กับ มีความรู้ความสามารถมากเท่าไหร่ก็ทําไปตามเท่านั้นแต่ท่านจะไม่เป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็จะทําตามไม่มีอัตตาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นใครจะว่าท่านทําผิดทําถูกทําไม่ อะตมามหาฤทธิ์ญาณจริงๆบูชาเคารพด้วยอนุโมทนาสาธุเลยที่จะมาช่วยมนุษย์ แม่จะมีกิเลสบ้างไม่มีกิเลสบ้างจะดูผลแล้วดูการประมาณคำนวณมันโอ้โหมันทําลายจัดมันหรือยิ่งทําได้ ควบคุมวิญญาณได้วิญญาณของตนประมาณได้มีสัปปริสธรรม 7 มีมหาประเทศ 4 อย่างแท้จริงแล้วก็ประมาณอยู่ในสังคมอยอย 80 90 ขึ้นไป มันดูมันจะดีไปไปได้ 60 โอ้ยนะเรื่องอะไรทําไปแล้วลาภก็ไม่ได้เอายศก็ไม่ได้เอาสรรเสริญก็ไม่ได้เอาเสียหายเป่าๆเสี่ยงเป่าๆไปทําทําไมเสียเวลาเสียผลไม่ค่อยเรือง 70 ก็ไม่ไหวมันมันไม่น่าจะถึงถึงขนาดนั้นได้เท่านี้ก็เท่านี้มีโลมีแรงมีสมรรถนะมีโอกาสเอ่อ ถ้าโลกเค้าให้ทําดีๆนะโลกเค้าไม่ได้ดึงทึงเราออกจริงๆเนี่ยเราแสนะเรานี่ค่อนข้างจะแสกับโลกเค้า น่ะเป็นคนเสียดสลาดจริงๆจะหือมามันจะดึงๆๆๆๆเราเอาไม่ดึงเราเค้าไม่จริงอย่าไปน้อยใจอย่าไปเสีย คนเราก็ไปตามควรนะแต่ก็ไม่ได้จริงๆมาโซคิสต์ชอบแต่แม้ชอบไอ้เรื่องซ้ําเสมือนหรือผ่าพังไม่ดีไม่ดี ถ้าคุณเข้าใจอาตมาว่าอาตมาอธิบายยังไม่เก่งผู้ที่ มันอยากได้มาเป็นอะไรมันก็ไม่รู้ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สุขอย่างที่สมบูรณ์ไม่รู้ทุกข์ กัตนาที่เป็นภพเป็นกามภพเป็นภวภพโดยไม่รู้เท่าเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ 4 นี้อย่างแท้จริง ที่อธิบายความซับซ้อนให้ฟังไปแล้วก็ทวน ยังสูตรกวรินทราหารเนี่ยพระเจ้าทันเทียบเหมือนกับพ่อแม่แล้วฆ่าลูกกินเพื่อจะเดินไปในทางอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นทาง เสเบียงก็สเบียงก็คือโลกธรรมแหละเสเบียงก็คือโลกธรรมสุดท้ายเสเบียง ซึ่งเป็นเสบียงชั่วถึงขั้นฆ่าลูกตนเองกินทั้งชั่วทั้งโง่ทั้งลืม กินเศษของความชั่วหยาบเลวทรามเอาความชั่วหยาบเลวทรามมาเป็นอาหารเลี้ยงชีวิตหมายแต่อวิชชา จังมีชีวิตมีความภาคเพียรเอ่อแล้วก็จริงๆแล้วทิศทางมาสู่ ทั้งคนนี้ชั่วสุดชั่วโง่สุดโง่ขี้ลืมสุดขี้ลืมสุดยอดอาศัยมือไม่รู้ว่าลูกไม่ เยาวราชกับนักการเมืองนักธุรกิจก็เหมือนกันแต่เขาให้แก่สังคมให้แก่โลกอยู่ด้วยเขา เขาอะไรต่างเหลือสังคมๆนานาซึ่งมันไม่ได้แต่ว่ามันสุดชั่วมันก็ไม่รู้เรื่องเลยกุ้งตก ไม่รู้บ่ต้องจดชัดธรรมเหรอจะทําอะไรน่ะ คือมันโง่ไม่รู้ไปทางไหนมันไปทิศทางที่มันเป็นทางทาง มันก็จนได้เลยก็จนได้เลยแต่แน่สิเอ็งหวง ติปฏิกรรมของผัวเมียคู่นี้ที่มีลูก 1รรคน ไม่ได้แยกกันนะไม่ได้แยกกันกันน่ะไม่ได้แยกกันเครื่องอาศัยไมไม 4 อุปป้องบริโภคด้วยความใคร่อยากผัดสาหานเค้าก็รู้การผัดษามีแต่ความโลภไป ไม่รู้เรื่องของวิภพว่าพบเลยไม่รู้เรื่องของปวิภพตัณหาเลยน่ะ ต้องใหญ่ต้องมีทั้งอํานาจและทรัพย์สิน พอสมควรแต่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในการวนเวียนสมบัติผัด เสื่อมกันนานแต่นี่มันไม่อ่ะสมบัติผัดเร็วเร็วมากเลยเร็วผู้ที่ขึ้นไปครอง นะจะเป็นสัจจะที่มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นโลกุตระแล้ว เป็นศาสนาพุทธและก็เป็นศาสนาพุทธก็สังคมสังคมก็ยอมรับนับถือบริวาร เขาเจ้าสํานักตายแล้วไม่นานโรคนี้มันๆนั่นแหละ พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้หัวหน้าเป็นผู้บงการ แล้วก็ทํางานกันเป็นหมู่เป็น จะใช้ก็ต่อมีแต่เขาให้ใช้ไม่ไม่ ในหลวงนี่ทรงมีมีสิ่งที่ท่านมีจะสิทธิยิ่ง ท่านบัญชามาเลยบัญชามาแล้วรับแต่อาตมาท่านเองท่าน สุดพระเจ้าอยู่หัวนี่นะเลยให้บริหารแบบนี้ในสังคมมนุษย์มันเป็นการแสดงความถ้าจะมองไปในแง่หนึ่งคือหัว แต่เถอะมันเป็นสัจธรรมอาตมาจะเข้าคุกก็ยอมแต่เป็นสัจจะเท่ากับ ไปพาคนไปรวยเนี่ยไปพาเอาคนไปไปกําไรกําไรเนี่ยมันจะอยู่ได้ พี่ขนาดนี้เท่าก็ท่านไปจักพระโอษฐ์ขนาดนี้เท่ากับใช่มั้ย อาตมาเห็นเห็นใจในมากๆลําบากจะพูดอะไรมันไปกระทบมันแล้วก็มันไปเบือนไปว่าคน เพราะโดยสัจจะเค้าแหมพูดไปอีกก็ว่าเค้าซ้ําอีกก็เค้าเลวอ่ะพูดไปอีกทีไรมันก็ไปว่าเค้าๆอ่ะๆทุกทีๆเลยยุคนี้เนี่ยๆ คุณฟังดีๆจะพอเข้าใจได้ว่ามันคืออะไรนะโลกนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ธรรมะที่มันๆเลยแต่คน เพราะฉะนั้นพวกเราทําให้มันได้บ้านบุญบุญ เอาให้ได้ถึงขั้นเนี่ยแค่ 100 คนก็ๆโดยธรรมเลยพอ เค้าไม่รู้ว่าเค้าต้องการอะไรเหมือนกับพ่อแม่มีลูกแล้วมันก็ฆ่าลูกกินนี่แหละเค้าไม่รู้ว่า เขาก็ต้องมุ่งเพราะงาจึงทําสิ่งที่มันยังเป็นจริงมันซับซ้อนชั่วหนักชั่วยาก ขนาดนั้นยังรักษาสถานะที่จะเอาเปรียบให้จริงไล่มาสิกี่ชาติเยอรมันกี่ชาติทางเอเชีย ญี่ปุ่นตอนนี้ก็ว่าจะขึ้นจีนได้ชั่วคราวตอนนี้ก็ว่าต้องการ สิ่งที่เสถียรสิ่งที่ยั่งยืนก็ก็ต้องการแต่มันจะต้องได้ก็ คงทนอยากจะให้มันสงบนานอยากให้ดีๆนานๆ มันไม่เป็นดังที่คนเดาสัจจะมันเป็นของตัวมันเองถ้าอสงเป็นสัจจะมันก็เป็นตัวเองสัจจะขนาดไหนอ่ะถ้าสัจจะที่เข้มข้นมันก็ไปได้ยาว ตัวมนุษย์แต่ละคนตัวพวกคุณแต่ละคนหรือตัวผู้ที่จะมาเป็นอโศก อารยะที่เค้าเป็นอยู่เนี่ยที่ในหลวงท่านตรัสว่าจึงถอยหลังเค้าอย่างน่ากลัว มันแต่มันก็จะก้าวหน้าไปในทางนี้นานกว่าอย่างสุขสงบมันก็จะก้าวหน้าไป นี่คือบารมีสมบัตินะเป็นบารมีสมบัติของ เลยเวลา 18 ไป 10 กว่านาทีเราเริ่ม 18:10 น. แล้วเลยไปตั้ง 19 นาทีเนี่ยเจ้าคุณโอ้คำนวณผิดนึกว่าเลยไป 9 เพราะมันเริ่ม 18:10 อาตมาดูนาฬิกาไว้แล้วมัน 19 นาทีเนี่ยเอ้าเวลา ก่อนที่จะเวลาที่เหลืออัตมามี SMS มีก็ SMS มาอาตมาก็ต้องปฏิสันถารบ้างนะ อาตมาขอดู SMS นี่ก่อนท่านจะ 4039 นี่ SMS ตอน 1 2 3 4 5 5 เรื่องนะอาตมาไม่รู้ว่านมกอ <ฮ ะ? S 2> อ๋อนมัสการเดอ๋ออาตมานี่มันเฉยแหลงได้เนาะนมัสการพ่อ นะถูกต้องศาสนาที่เป็นศาสนาและมีศาสดาและก็มีต้องการบอกว่าพาคนไปสู่ความ ดีได้เนียน... ไดไดไดไดไดได้เนียนแต่ดีทั้งนั้นไหร่ก็แล้วแต่ศาสนาแล้วแต่ศาสดาแต่ว่าดีได้เนียนดีได้นานดีได้ลึกซึ้ง ออมอาบอกว่าเจตนาผู้น้อยที่ถามเช่นนี้อยากให้พุทธกระแสหลักเข้าใจพุทธกระแสย่อย คุณคุณก็เลยมองเห็นในศาสนาพุทธคุณก็เลยมองเห็นแต่ว่าพุทธๆน่ะ ศาสนาพุทธนี่แหละเป็นศาสนาที่ 2600 กว่าปีมาไม่มีประวัติว่าศาสนาๆก็แย้งกันรุนแรงเพราะ นะปฏิปฏิโกศนาลักขะทิทิ มีเลยนะเป็นนายทุนหลักเลยเอ่ออย่างนิกายมหายาน ถ้าสำนักนั้นถอนเงินออกจากธนาคารไหนนั้นไปออกไปนอกลีดนอกทางเป็นได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ขาดแคล้งกันไม่รุนแรงไม่มีสงครามๆหน่อยๆ อันอื่นเค้าก็ขอบอกว่ามันมันไม่ไม่ไม่เป็นอย่าง วาดภาพไว้งามมากแต่มาดูโอ้โหมันมีขัดมีแย้งกันโอ้โหถ้าบอกว่าเค้ามีกฎขมนะสั่งการคุณอยากกระดิก ก็กักเก็บพวกนั้นน่ะเสร็จแล้วพอเกิดสงครามทีระเบิดทีก็แตกกันแต่พวกเราเนี่ยไม่ไม่เป็นอย่างนั้นมันไอ้ ก็ไม่ได้มานั่งบังคับกดขี่กันเกินการแต่ 30 40, 40 ปีแล้วก็ไม่เคยมีอะไรรุนแรงนะ จึงมีการบั่นทอนมุ่งร้ายโจมตีศาสนาอื่นนิกาย สุดยอดแห่งอิสราเอลีปาปสุดยอดแห่งประชาธิปไตยน่ะมาเองไปเองไม่มีการันตีไม่มีเอ่อพนันชั้นต่อแล้วไว้มาที่นี่จะด่าอย่างนั้นได้ไม่มีก็บอกความจริงเท่านั้นว่า นะเพราะจะไปว่าแต่แค่ว่าหาอะไรเลยจะแย่งลาภ เต็มที่ใครมาก็ตามความ บรรดานักบวชศาสนสิทธิ์สาวกผู้ มันซับซ้อนน่ะมองโลกไปในแง่ดีนี่พวกมองโลกสวย เพราะแต่ละศาสนานี่นึกยะนึกว่าเค้าไม่มีความยิ่งพยองเหมือนคนพิการไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องไปอะไร แต่ความซับซ้อนในจิตที่มันยังมี Facebook <oughs> การกล่าวหาคนอื่นว่าจะโกงกล่าว 2.2 ล้านล้านบาทนะการกล่าวหาคน 2.2 ล้านล้านบาทโดยที่ 3 ล้าน ท่านไม่กลัวโกงและครัวเป็นหนี้บ้างหรือครับแถมไปตกลงกับจีนเซ็นๆก็ภาษาผู้กษัตริย์ เอ่ออาตมาก็ลองดูว่าอาตมานึกว่าอาตมา 2. 2 ล้านล้านแล้วก็ อาตมาไม่ใช่ผู้พิพากษามันเลยผู้ตัดสินมันจะมีสิทธิ์ไปว่าเค้าโกง ตัวละล้านล้านบาทในโครงการของข้าวเท่า 6.8 แสนเหลือ 6.8 แสนล้านๆมันไม่เคยมี คนบูชากันมากไปนะเงินนี้เป็นเงินของประชาชนแล้ว อ่ามีสิทธิ์มองทุกคนก็เชื่อว่าตัวเองมองถูกมองตรงมองไม่ลําเอียงก็เป็นธรรมดานะก็ว่ากัน เขาก็ทํากันอยู่ทุกอย่างมันก็ไม่มั่งมันจะปะตรงนั้น เอาเอาทีนี้จะหมดเวลาแล้วอาตมาว่าไปด้วยเพราะคุณเอเอ 2 เรื่องค่ะเรื่องสัตว์สัตว์โอปาติกะค่ะอ้าวดิฉันพ่อท่านบอกว่าความความ ดิฉันน่ะเป็นสัตว์คงจะเป็นพวกที่ดิฉันชื่อเรียกแก้วแล้วก็อ๋อเรา กับคงจะดุร้ายมากแล้วเสร็จสรุปไวๆว่าพอดิฉันก็มาฟังพ่อเวลาดิฉันมีผัสสะแล้วพอมาฟังพ่อท่านพอเรามามีผัสสะแถวทาง มันอยู่ในข้างในจิตเยอะป่าค่ะแล้วก็มันก็แล้วอะไรเงี้ย บุญนิยมบุญนิยมค่ะบุญนิยมมันก็ค้าค้าบุญจะได้บาปหรือเปล่าคะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเอ้ยปะแจ้วมันมีคน 2 วัน แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วทําบาปอ่ะค่ะทีนี้ฉันก็ไปจ้องดูดูเค้าก่อนแล้วฉันก็ถามเพื่อนว่าไม่ยัง เดินไปเลยพอเดินมาแล้วก็มาถึงอุ่นดินนี่บอกทําไมไม่จ่ายเงินเค้า 40 บาทนี่ 20 แล้วก็บอกว่าเค้าก็ไม่มีเงิน แล้วมีผู้หญิงคนนึงเค้าก็บอกว่าเออเดี๋ยวให้เดี๋ยวออกให้ทํางานที่ไหนเค้าบอกที่โรงแรมมีวันเดียว 2 คนเอาถุงมาให้อีกแล้วบอกเอาถุง ดิฉันก็แบมือไปว่าแบมือว่าขอ 10 บาทเพราะว่าเค้าตากไม่ เอ่อโดยทําฝึกว่าจะประมาณขนาดนั้น แต่เค้าเองเค้าก็เป็นกิเลสของเค้าเป็นความโลภความหยิ่งได้หรือเป็นความจําเป็นของเค้าบ้างนั่นเราก็ จะได้เท่าไหร่ก็เท่าภูมิของตนในนามธรรม 5 เวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการเนี่ยคุณถาม แต่คุณได้ทํางานได้ทําการบ้านได้ปฏิบัติมนสิก 8 กับปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ามีกุศลเจตนาแล้ว หรือไม่ทําใจของคุณมันแรงแรงคุณก็สงบระงับมันได้หรือ อีกกายวิญญาณวจีวิญญาณออกมาเป็นกายจะกรรมวจีกรรมออกมาแรงคนนั้นคุณก็ไม่ได้ เพราะคุณได้มาได้น้อยอะไรไม่ได้ให้ไม่ได้อันนั้นให้คะแนนนี้ๆท่าน ที่ชั้นนี้ศิษย์ศิลป์เพชรนาวาบุญนิยมค่ะก่อนจะอาตมายังไม่รู้อยู่ที่ตรงไหนทางนี้ค่ะว่าทางนี้ยก ให้ให้ชาวอสงนะคะแต่เป็นเนื้อหาที่พ่อเคนที่พ่อพยายามเคยได้ฟัง เข้าใจได้ค่ะถึงจะยากมาลำมาเลืองแต่ๆโดยเฉพาะในหนังสือเล่มนี้กายเยอะมากกายเยอะมากแค่ สภาพพิเศษกว่านี้ก็ได้แต่ขอชื่นชม 7 ขวบนะคะมันมีความ มามาให้ตัวเองรับแทนให้พวกเค้าพ้นทุกข์กันเนี่ยแต่ไม่รู้จักเรื่องธรรมะไม่รู้จักอโศกเลยนะคะแล้วหลังจากเกียดปี องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งถึงจะทุกซ้างหัสากันถึงชาตินี้อ้าวดีอ้าวก็ไม่ได้ถามอะไรก็ไม่ได้ถามอะไรเป็น <in AU> มาฟังหรือเปล่านี่ไม่เห็นจะนั่งอยู่ข้างในวงเลยดูนอกวงอยู่นั่นครับผมโอกาสครับครับ ถือว่าเป็นกายมั้ยครับหลับในถือว่าเป็นกายมั้ยโอ้โหคําถามนี้อื้อหือคําถามยากจริงเลยเนาะหลับในนี่เป็นกายไม่ได้ได้ข้อ นามนี่มันตกไปจิตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณคุณไม่มีสติ มันขาดทั้งกายขาดทั้งนามทั้งกายขาดทั้งนามขาดทั้งจิตที่รับผิดชอบ แย่ลงไปกว่าลงไปสุดแล้วมาจบแล้วคําว่าแม้แต่ท่านนอนหลับเนี่ยเป็น yeah, กายของท่านคือองค์ประชุมของรูปนามที่เป็นรูปนามในระดับลึกรูปนามเต็มรูป เป็นความตื่นเต็มหมดทุกสุระภาโวสติมันโตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโดยซ้ํานอนหลับเนี่ยพระอรหันต์ก็อยู่กับกายข้างในเป็น แต่ทําไมไอ้โลกๆไม่มีแล้วมันก็มีแต่เรื่องทําธรรมะซึ่งท่านก็ท่านจะพักจะดับจะหยุดแต่ละองค์แต่ละท่านก็ทําไปที่อธิบายนี่อธิบายเพื่อให้เห็นว่าคํา มันจึงสวยมากจึงสวยมากเมืองไทยจึงสวยมากที่ 8 ด้วยกาย คำว่ากายเกี่ยวข้องกับรูปข้างนอกด้วยเป็นปกติที่มีสุรภาว นะ 33 คือปรกุตตระภพของท่านแต่ละๆชีวิตปกติของคน ตั้งก็ทําไม่แก่หลอกไปนะเพราะนะ ศีลเพชรบอกว่าไม่คําว่ากายเยอะคุณก็สํานองรับรองๆแล้วกันเพราะอาตมาไม่มีครับต่ออีกนิดนึงครับ คือไม่รับรู้ภายนอกเลยบางทีเสียงดังอะไรก็จะขยาย 5 อย่างให้รูปรูปเป็น มันเป็นตัวของมันที่ไม่เกี่ยวกับเราเราก็ไม่เกี่ยวเป็นรูปของตัว อ่าก็เป็นตัวประธานเป็นซับเจคทีฟเคสเราก็เป็นตัวที่จะรู้นะถ้าเราไป กฎนี้มันก็เป็นรูป objective ที่ รูปกับตามันยังไม่ทํางานรู้กันมันยังไม่ทํางานร่วมกันมันเข้าไปรวมกันแต่ยังไม่มี ธัมมายตนะเป็นรูปมนายตนะเป็นนามคู่นี้มันก็อยู่ด้วยกันกันขึ้นมา กายนี้จะมีบทบาทกายนี้จะเป็นนามธรรมร่วมอยู่ เล็กรูปกายต่อมานามกายตื่นตื่นสามารถที่ตีกรอบของว่านี่ <c oughs> จิตในแวดวงของนามกายของเราวางเนาะรูปกายข้างนอกเท่านั้นหรือรับรู้เท่านั้นหรือรับ ท่านก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรงี้เป็นต้นนะก็เรียกว่าท่านทํานามกายของท่านเป็น chapter มันเป็นกรอบขนาดแต่ละขนาดได้นะได้ทั้งนั้น chapter ก็ได้นะ ทีนี้นามมา 5 1 รูป 2 รูป 3 รูปรูปอ้อย 2 รูป 3 รูป 4 นาม 5 นามมารูปรูปนามรูปก็หมายความว่ามีสิ่งที่ถูกรู้โดยนามนามคือ นะถ้ามันจะแค่ไปประชุมๆเลยที่ถูกรู้เรียกว่านาม 2 ส่วนนาม รูปก็คือ 28 รวมแล้วเป็นที่ 8 นี่คือรูปแล้วจิตวิญญาณของแต่ละผู้ หรือรูปในเรียกว่านามรูปอ้าวเอาละไม่ใช่ค่อยๆไปบอกแล้วว่าเล่มต่อไปมีกายมากกว่าเอาเอาไป เอาเลยใช้เวลาสักกับการ 2 นาทีได้มั้ยการนมัสการค่ะก็หมดละพ่อครูท่านสมณะท่านศิกขามาท พอดีทำงานอยู่ที่อุทยานแล้วก็ลงมาดื่มน้ำแล้วก็มีอาหารขายอยู่ความชอบที่เคยชอบคือคือชอบทานข้าวต้มมัดนะคะอ๋อสว่างแสงบุญบุญสุขค่ะค่ะแล้วทีนี้พอลงไปไปดื่มน้ำเสร็จก็เดินโฉบไปดูที่เค้าขายอาหารขายผักนะคะก็ไปเจอคือปกติแล้วจะเป็นคน <coughs> ทีทีนี้พอๆหน่อยค่ะพอเดินไปไปเจอแล้วเจ้าแรกก็เฮ้ยอยากกินเลยตรงเอาเร็วๆๆแล้วแล้วเสร็จแล้วพอเดินไปอีกเจ้านึงก็ไปเจอเจ้านี้ล่ะ ก็เดินกลับขึ้นไปทํางานต่อก็เลยอยากถามพ่อว่าไอ้อันที่ตัวมันเป็น แล้วก็จะต้องพิจารณาต่อไปว่าเออเรานี่ก็ยังมีอยากมันๆที่จะกินมันว่าจะซื้อเพราะว่าจะอุดหนุนเค้าจะช่วยเหลือ นะก็พิจารณาว่าเราซื้อทําไมสมควรซื้อมั้ยก็เออนี่กิเลสนั้นนี่แต่ว่ามันเป็นกิเลสเจนอ๋อมันไม่ควร ที่จะเอ่อมันเคยยอมแพ้ยอมระงับเอ่อความฉลาดหรือว่าความรอบรู้มันเป็นพลังที่จะระงับสิ่งที่เออต้องสัมทับเพิ่นปัญญาถ้าทําแต่กดข่มเฉยๆ น่ะไม่ใช่ตัวตนนั่นเป็นเรื่องของเจโตทั้งหมดเออไอ้สิ่งเหล่านี้มันมันก็ไม่เที่ยงตอนแรกจะเอาไม่เอา พยายามใช้ปัญญาพิจารณาในการจะทําของเราทําดีแล้วแต่คุณไม่ได้พิจารณามันมันได้ทางเจโตแต่มัน แต่เดี๋ยวไม่ช้าไม่นานก็เป็นอรหันต์ขอบพระคุณมากค่ะพิจารณาๆหมดเวลาเลยเวลาก็ไปหลาย คุณการรู้สึกว่าคือพ่อครูอธิบายได้ละเอียดพิสดารมากกว่าทุกครั้งที่ที่เคยฟังมานะคะจับขึ้นเรื่อยๆ หาทางไหนได้ก็เอาทางนั้นหยิบเบี้ยใกล้มือที่สุดก็หยิบก็ทําคือมันมีความรู้สึกโดนใจมากๆหนึ่งอาทิตะปริยายะสูตรดิฉัน 이번 226 รับได้ปี พ.ศ. 2526 นะคะก็พอ 5 นะครับขออนุญาตอ่านนิดนึงนะฮะ อันวิญญาณอันเนื่องด้วยความยินดีในนิมิตพึงพึงตั้งอยู่แจ้งด้วยจักขุจะดีอะไรวิญญาณอยอยอยอย 2 อย่างคือนรกหรือกําเนิดสัตว์เนรชาติอย่างใดอย่างหนึ่งข้อ ครุสวออ้อมแทงอะไรนะฮะเหล้าเหล็กร้อน แล้วก็ดูพระภิกษุทั้งหลายบุคคลเฉือนชวินสีด้วยมีดด้วยมีดโกดอันคมกริบอันนี้ลิ้นน่ะนะคะค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายดูพระ ในสิ่งที่ครูจะท่านตรัสนี้ค่ะโอ้อธิบายโดยย่อไม่ได้เวลาไม่มีแล้วแล้วก็อาตมาก็ยังฟังทั้งหมดละเอียดอ่าถ้าจะครับอาทิตปรยายสูตรชื่อสูตรฮะอาทิย ปริยายอริยอริสาอาทิตปริยายสูตรวนาทิยะฮะวนาทิยะอ๋อค่ะอ๋ออาทิตปริยายสูตรค่ะอือปี 26 ค่ะก็อาจจะ ทางสงก็ริบเลย